2. ราชาการามวักหมวดว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่ราชาการามหนึ่งสหัสสภิกุณีสังคสูตรว่าด้วยภิกษุณีสงฆ์ 1,000 พรูปหนึ่งั น, น, งนสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณราชาการามเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีสงฆ์ 1,000 งพันรูป เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถทวายอภิวาตแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุณีเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุณีทั้งหลายอริยสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ามีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้า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 ประกอบด้วยความเลื่อมสายอันไม่วันไหวในพระธรรม 3. ประกอบด้วยความเลื่อมสอันไม่วันไหวในพระสงฆ์ 4. ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุณีทั้งหลายอริยะสาวกผู้ประกอบได้รมสี่ประการนี้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกตํา มีความแน่นอนที่จะสำเร็จโพธิในวันข้างหน้าสหัสสภพิคุณีสังคสูตรที่หนึ่งจบ